ธรรมชาดกแผ่นที่สิบลำดับที่สิบสามโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมในวันที่สเมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าพระอรหันต์ไม่ฉันข้าว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 พระท่านก็เปิด MP3 สที่หลวงพ่อได้พูดไว้แสดงไว้กล่าวสมโภชนิยกถาไว้ให้แก่รุ่นก่อนๆหรือว่าการไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังพระพี่เลี้ยงก็จะเปิดให้ฟังแต่วันไหนที่หลวงพ่ออยู่อย่างวันนี้หลวงพ่อ พอที่จะลงมาได้ก็ลงมาพบพระลูกพระหลานตั้งหลายจากนั้นก็จะได้กล่าวเกินจิงไหนที่ควรจะได้รับรู้รับทราบสรุปแล้วก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่ามากก็มาก8 4 0หมื่นสีพันพระธรรมขันถ้าจะว่าน้อยก็น้อย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 คือหลักเหตุผลคือหนึ่งหนึ่งเดียวคือใจหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไอ้ไ่ก็ว่ามันมันคือหนึ่งเดียวคือเหตุผลไล่ลงมาสรุปแล้วคือออกไปจากใจทั้งหมดโง่ก็จูที่ใจ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 ราคะโทสะโมหะโลภโกรดกลงมิจฉาทิฏฐิอีกต่างหากถ้าใจเราเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ออกมาไปจากใจก็ท่าว่าเห็นอะไรมีแต่ยากอย่างเดียวแต่ท่าใจของเรามีความโกรธอยู่ในจิตใจเห็นอะไรนี้นิดหน่อยก็โกรธให้เขาไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าจิตใจใจำปรยุทธ์ด้วยราคะ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 โดยมากมันจะไปทางต่ำไปทางกิเลสอย่างตที่ตัวเองชอบถ้าตัวเองชอบทางไหนมันจะไปทางนั้นคนรนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต้องตั้งใจภาวนาเพราะเราพวกเราเลยเขามาทั้งทีเขามาเน้มาบวชในคราวนี้ถึงจะอยู่ในความลำบากเพราะเราผิดสถานที่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 เขาจึงยอมรับว่าสมณะดลกูบาอาจารย์พป็นผู้ทรงศิลจากนั้นก็พูดออกมาก็มีแต่เรื่องศิยธรรมคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิทำยังไงสัมมาทิฏฐิทำยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิพูดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐินะี่หรือมันมีสอง ใจคิดผิดใจคิดถูกร่างกายทำถูกร่างกายทำผิดคำพูดผิดคำพูดถูกสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจของพวกเราสมควรยิ่งพวกเราจะต้องได้รับการอบรมทางจิตภาวนาพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็นประพฤติปฏิบัติ อยู่ในกรอบของพระวินัยสํารวมกายวายจาให้เรียบร้อยท่านกระจูนแบบสํารวมตัวของท่านการเป็นอยู่ทุกอย่างถ้าใครจะมาพูดมายกย่องสรรเสริญถ้าไม่เป็นความจริงท่านก็มีความละอายมีฮหริโอตปะแต่ถ้าว่า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 อย่างมากในหัวใจนี่แปลว่าออมีตะมักมีแต่ผลมีแต่เรื่องพระหันอยู่ในจิตใจเห็นผ้ากาสาวพัดก็คือเนี่ยผ้าของพระหันยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ทั้งหลายมองเห็นแล้วคือพระหันผู้หมดจดจากกิเลสสำรวมกายวาจาให้ดูแลเรียบร้อยแตกต่างจากขระหัต คารวะาทั้งหลายทั้งปวงแพรามนั้นก็ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็กราบราธนาพระสงฆ์ไปฉันในบ้านของตนในมลนวันละสิบหกรูปไปฉันที่บ้านเป็นประจำพอเห็นพระสงฆ์เข้าไปเดินเข้าไปแพรามคนนั้นก็ยกมือไหว้ขอพระหานทั้งหลายทั้งปวง จงเข้ามาที่บ้านของข้าพเจ้าขอท่านพระรหัน์ทั้งหลายทั้งปวงจงนั่งอาสนะที่ข้าพเจ้าปูลาดไว้ขอพระรหัน์ทั้งปวงจ ง, จ ง, จงรับพัตหานที่ข้าพเจ้าถวายขอพระรหัน์ทั้งปวงจงฉันพัตหานและอนโมธนาใครจะพูดอะไรก็ต้อง ว่าพระรหันนำหน้าซะก่อนแต่พระผู้ที่ไม่ได้เป็นพระรหันเกิดความหลังเกียรตในคําพูดเราไม่ได้เป็นพระรหันทําไมเขาจึงเรียกพระรหันทุกทคําแต่องค์ที่เป็นพระรหันท่านก็บอกว่าพามเขาพูดถูกเขาพูดตามที่เราเป็นมาแล้วเป็นเป็นอยู่แล้ว เขาพูดถึงพระรหันต์ได้ถูกต้องท่า น, นก็ไม่กะไลแต่องค์ที่ไม่ได้เป็นพระรหันต์พอพูดขึ้นมาเองเราจะไปยอมรับเขาได้หรือเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอาบัติปาลาชิกได้ไง่ายๆเหมือนกันนะพอเหตุไรภิกษุอวดอุตริมนุษธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนเป็นปาลาชิกเป็นขาดจากการเป็นพลานะเราจะยอมรับเขาได้ยังไง พระทั้งหลายก็ไม่ไปฉันที่บ้านเขาเท่นี่พอได้ยินอย่างนั้นนะลังเกียจลังเกียจในคำพูดของพรามไม่ไปพระทั้งหลายก็ล้อยล้อลงไปเรื่อยๆทีละองค์สององค์ไปมาก็ไม่มีองค์ไหนไปเพราะลังเกียจคำว่าพระรหันต์ก็ได้พรามตอนนั้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้าโอ้ข้าพระองค์รู้สึกเสียใจเสียความรู้สึก ที่ข้าพระ อ, องค์มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในมูลพระอรหันตั้งหลายไปฉันที่บ้านของข้าพระ อ, องค์แล้วก็ต่อมาก็หายต่อไปใหม่ก็รู้สึกพ่พระสงฆ์ไปฉันมากต่อมาก็หายไปเรื่อยๆข้าพระ อ, องค์กเ็เรื่องอาหารข้าพระ อ, องค์ก็ได้ทําอย่างปราณีตตามที่ข้าพระ อ, องค์คิดว่าดีที่สุด แต่ทำไมพระสงฆ์จึงไม่ไปฉันบ้านของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข่าน่ยพราม์เรามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เรียกพระสงฆ์แ่านั้นที่ไปฉันในบ้านพราหมณ์มาก็เลยถามว่าทำไมพวกเธอท่านทั้งหลายทำไมไม่ไปฉันที่บ้านของพราหม์ พระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าแล้วก็นตลอดถึงพระทั้งหลายทั้งปวงกราบทูลพระพุทธยาวเพราะพรามเก้าคงจะเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างมากเวลาเขาพูดอะไรเขาก็บอกว่านิมนพระหารจงนั่งนิมนพระหารทั้งหลายจงฉันนิมนพระหารทั้งหลายจงรับน้ำล้างมือต้องพระหารขึ้นหน้าซะก่อน พวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะพราหมณ์ขอยกอย่างนั้นข้าพระองค์ลังเกียจในคําพูดของพรามณ์เหมือนกับเรายอมรับถ้าเราไปเหมือนกับเรายอมรับในคํากล่าวของเขานั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่ได้ไปเพราะพุทธเจ้าขาดเพราพระพองค์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายยินดีในคําที่เขากล่าวไหม ไม่ยินดีพระเจ้าค่ะพระู้แก่ตัวรู้แก่ใจแล้วว่าข้าข้าพระองค์เป็นอะไรเพราะนั้นข้าพระองค์ไม่ได้เป็นอะไรข้าพระองค์ก็ไม่ยินดีแต่ท่านวงค์ที่ไตรสําเร็ิท่านก็บอกว่าเข้ากับผมไม่มีอะไรเขาคิดว่าพรามณ์พราหมณ์เขาพูดถูกตามที่เขาเข้าใจนี่แหละแต่นี้พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลาย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 ผู้มีความรู้ที่เป็นด็อกเตอร์ด้วยเลิอดในขแขนงไหนไหนที่เขายอมรับในยุคสมัยนั้นและกัเป็นคนไหนฉีดรวยที่สุดมั่งมีที่สุดลำรวยที่สุดเขาก็ยกย่องในในยุคสมัยนั้นถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติในหลักธรรมคาสอนของพระพทุพพทธเจ้าพระพุทธเจ้ายกย่องเชิดชูเลิดเ ล, เลว่าในศาสนาของเรานึ่ สูงสุดคือพระอรหันต์คนทั้งหลายเขาก็อยากจะกราบอยากจะไหว้เ่ยเขารับปูชาทำบุญทำทานกับพระอรหันต์นี่แหละคือมนุษย์ชาติต้องการความสูงส่งนี่พระในครั้งพระพุทธองค์เคยมีมาแล้ว พ, พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็คนกล่าวคืนมาแต่บางคนก็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 แต่พระ อ, องค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ถึงร่างกายของเราจะเห่อแท่งไปด้วยปุโพโลหิตข้าพระเจ้าก็จะไม่ลุกออกจากที่นั่งโดยเด็ดขาดนะเพระพระ อ, องค์ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นขนาดนั้นะสู่กับขันธมารผลี่สุดพระไทยใจของพระ อ, องค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ชําระกิเลส ได้เป็นพระอระหันต์พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่พระ อ, องค์มุ่งหวังปรารถนานี่ยอันนี้แหละคือความมุ่งหวังและความตั้งใจมั่นคนเราในถ้าหากว่าจะมุ่งหวนหวังเรื่องอะไรถ้ามีความละเลาะและแล้วมันจะไม่ไปไหนการศึกษาของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริง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 ตั้งสัจจะด้วยความจริงจังและจริงใจเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่พวกเราควรจะมีสัจจะและมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีไฟในการศึกษาและคนครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรให้ภาวนาอย่างไรเราก็พยายามทำตามอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนา ให้สติอยู่กับตัวเองนะอย่าให้คิดทะเลถะไลไปทางอื่นนะกาหนดให้พุโทโธอยู่ที่นี่ปลายจมูกนะให้อยู่พุโทโธอยู่กับตัวเองนะให้มีพุโทโธอยู่กับตนเองนะเราก็พยายามเอาพุโทโธอยู่กับตัวเองทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนพอตื่นขึ้นมากพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจนะนี่แหละถ้าเราทำอย่างนี้ อีกสักครั้งหนึ่งไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งไม่เวลาใดก็ต้องเวลาหนึ่งไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งอพอเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจใจของเราจะเข้าสู่ความสงบจิตใจจะรวมสงบเมื่อรวมสงบคงเป็นหนึ่งเราก็จะได้รับความสงบได้รับความสุขในเมื่อจิตสงบ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 งอกเกยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆระ่อยๆเรื่อยๆ เ, เยรรองเราเปืนอปไดรถูกต้รองมีความสุเรี่แท้เริงจากนั้นก็ดูตามอนวแถวที่ท่านแนรนําสั่งสอนสมรื่อยๆเรื่อยๆเด่าาอเรื่ายๆเรื่อยๆเรื่อยรื่กยเรือยๆเรือยๆเรืองเรตุและผรเหื่อนๆเรังทุกขรงอยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรองเราก็จะเรื่อหนเ่ายคลาอยๆเรื่จากอาๆวรืเล สรุปแล้วก็คือให้พวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่าไปถอยโลกทั้งนี้เราผ่านมาแล้วตรงไหนดูดินึกดูซิตรงไห น, ห น, น, นคือที่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจได้ความสุขตรงไหนมันมีไหมในโลกความสุขที่แท้จริงถามดูสิคาว่าสุขที่แท้จริงสุข ไม่มีการแปรผันไอยาอื่นมีไหมมันไม่มีนะแต่คิดดูให้ดีนะมันไม่มีในโลกนี้มันหาความสุขที่แท้จริงหาไม่มีมีแต่ความสุขจอมปลอมมิสุขหน่อยหนึ่งก็มีความทุกข์เข้ามาแทนที่เหมือนกับทานอาหารอิ่มอรอร่อยโอ้อาหารอร่อยมากนะอีกไม่นานเลยถึมองหาห้องน้ำห้องส้วมแลยไม่ไม่ข้ามคืนนะท่าน ถ้าเราไปอยู่บ้านถึงไม่มีห้องน้ําห้องส้วงตายเป็นรถเราจะไปที่ไหน อ, อกีกเหมือนกันนี่นแหละความทุกข์มันเข้ามาแทนที่แล้วแต่เนี่ยทั้งที่อาหารเราทานอาหารอร่อยๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เราพิจรารณาดูสิมันโดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่นั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะให้ศึกษาทำนะัทธรรมะทำความสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอย่างไรให้มีจิตใจมุ่งมั่น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 ใช้สอยเมื่อเรากะยันขึ้นอีกเราก็ร่ารวยขึ้นเรื่อยๆ อ, อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะรรมะเข้าสู่จิตใจใหม่ๆเราก็ไม่รู้เราไม่รู้จะเดินทางไหนแต่เมืม่อเราได้ยินครูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวเราก็พยายามทาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสัง่งสอนในทัดไหยภาวนาพุทโธนอะรเราก็พยายามพุทโธนะพุหลวงปู่มั่น สายหลวงปู่มั่น่เออท่านแนะนําให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักเราศึกษาด้ยสิจะเป็นพ่อแม่ปู่บ่าจานองคไหนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงตาหมาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาอหลวงพ่อพุทธหลวงปู่ชิมองไหนไหนฮหลวงปู่แว้นโดยมากพีแต่ท่านในภาวนาเพราะท่านในรับคําอบรมได้รับการอบรมมาจากหลวงปู่มั่น หลวงปู่ม่นสอนอย่างนี้แล้วก็ท่านก็ปฏิบัติตามพวกเรากนนั้นนะให้เดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคงไม่ผิดหวังนะวันนี้ผมพูดเปลี่ยนตอนนี้ก่อนนะต่อไปไปเปิดเอ3มพีสามแล้วนะเอานั่งฟังเลยนะเจนีนนั่งขัดสมาธิฟังเลยนะเจนีนนะภาวนาไปเรื่อยเลยนะ